อมระหะวิไนบางทีอนุว า, าธาทิกรไม่อาศัยสมถะสองอย่างคือ 1. สติวินัย 2. ตัสปาปิยสิกาแต่พึงระงับด้วยสมถะสองอย่างคือ 1. สามุขาวินัย 2. อ, อมูระหะวินันบางทีพึงตกลงกันได้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 ผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจ์ภิกษุนั้นอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้